ต้นสาตัชนมุติบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิบัาในจะในอนุสติห้าประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิบัาของพระอนาคามีมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลาย เราว่าการปฏิบัติในด้านอนุสติห้าบริการนี้ก็รู้สึกว่าเกเป็นปฏิปทาที่มีกําไรมากนี่ ว, ว่าจิตเริ่มตน้นก็เริ่มขึ้นด้วยอารหัตตะเริ่มด้วยในปฏิปทาของประสูดามันแล้ว่าท่านหลายถ้าประสงค์จะรู้รายละเอียดอันในอารมณ์ของจิต ก็จงพากันศึกษาในได้ข้อนาปานุสติประธานประกอบถ้าเราจะพูดกันให้ละเอียดเฉพาะทุกจุดมันก็จะเป็นการเปรียงทรัพย์เปลืองสิ่งขบัรดาท่านทั้งหลายฉนั้นหากว่าท่านผู้ใดอยากจะรู้อารมณ์ละเอียดก็หันเข้าไปดูอนาปานุสติกรมฐาน สำหรับจุดนี้ก็จะพูดโดยเฉพาะอนุสติห้าประการได้พันปฏิเวทาเกิดประสูดาบันหรือว่าอารมณ์ของประสูดาบันมาแล้วสำหรับพระสกิทาคามีก็คงมีอารมณ์ทรงอยู่ในสังโยตสามประการเช่นเดียวกับประโสดาบัน ได้ได้ว่าพระโสดาบันที่ผ่านมานี่องสมเด็จพระเจ้าศีกล่าวว่ามีารม่มถึงสามชั้นนั่นก็คือพระโสดาบันขั้นส ต, ะะตักขัดตัวเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วพระโสดาบันขั้นโกลังโกละเป็นชั้นที่สอง พระโสนาบัญคั่นเอกวิชีเป็นครั้งที่สามสำหรับพระโสนาบัญคั่นเอกวิชีนี้มีปฏิบทาคล้ายคลึงกับท่านสกิทาคามีกันฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงปฏิบทาิคืออารมณ์ของพระสิกิทาคามีซึ่งความจริงแล้วละสังโยดได้สาม เหมือนพระสูนดาบัรแต่ถือว่ามีารวมต่างกันอยู่นิดหน่อยก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็จะขอพูดด้านดับชั้นของจิตของพระสูนดาบันเสียก่อนเพื่อความสะดวกในการจดจําหรือว่าเพื่อความสะดวกดวกในการกําหนดรู้ในจิตของท่านสําหรับ เรโสนดาบันขั้นสตัติขตัวตอนนี้ถึงนกล่าวว่ายังมีอารมณ์หยาบมากก็เหมือนกับเด็กเพิ่งจะสอนเดินเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วนี่มีวัยสามวัยคือหนึ่งปฐมวยัยวัยระหว่างเด็กและระหว่างนมตั้งแต่เด็กเพียง่ม สองมัดชิมวัยวัยกระทึงกระเนวางกใบกลางคนสามแปดชิมนมะไวไวแก่สำหรับพระโสนาบันก็เหมือนกันก็ต้องมีว่าพระโสนาบันเด็กถึงหนุ่มพระโสดาบันใบกลางคนพระโสนาบันใบแก่แต่ไม่ใช่หมายถึงคนแก่คืออารมณ์จิตแก่ สำหรับพระสูดาบันวัยหนุม่มก็ได้แก่สตตาขัดตุงพระสูดาบันขั้นสตาขัตตรงนี้จิตก้าวจากโลกียะชนเข้ามาเป็นโลกิตแกโลกียะเะโล ก, กุตระชนใหม่ๆคําว่าโลกีนี่ก็หมายความว่าจิตยังมั่วสมอยู่ในกามารุมเนื้อร่มที่เป็นอกุศล ม, มาก สำหรับคามาเป็นโลกี โ, โลกุตระชนก็หมายความว่าคนที่มีอารมณ์พ้นโลกจําให้ดีนะครับคําว่าเป็นคนผู้มีอารมณ์พ้นโลกคืออํานายของปุตุชนที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยอกุศลพ้นไปเสียแล้วคําว่าโลกไม่สามารถจะดึง ท่านพ้นี้ให้กลับไปใหม่เหลือแต่รมที่ทรงธรรมตั้งแต่ธรรมฉันหยาบจะ ก, ก้าวเข้าไปสู่ความทีเป็นผู้มีธรรมละเอียดเจกทั่งถึงที่สุดกล่าวคือเป็นพระอรหันเรื่องการถอยหลังลงไม่มีสำหรับพระโสดาบันเพราะว่าคำว่าพระโสดาบัน ท่านแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสนิพพานเป็นผู้ที่มีความหวังได้จริงๆว่าจะถึงนิพพานตอนนี้ก็มาพูดถึงพระโสดาบันเด็กกันซะก่อนพระโสดาบันเด็กถึงพระโสดาบันหนุ่มสาวที่เรียกว่าสตากะตุง อันดับนี้ถ้าทรงเป็นพรสโสดาบันอย่างนี้จะต้องเกิดเป็นคนกับเทวดาอีอย่างได้เจ็ดชาติในชาติที่เจ็ดจะได้เป็นอารหันต์สำหรับโกลังโกละจะเกิดเป็นคนกับเทวดาสลับกันไปเสก็จมาสามชาติชาติที่สามขอมนตรครุ น, นเป็นพระอารหันต์สำหรับขั้นเอกอพิชี จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นอรหันต์เหมือนกับพระสีธาคามีนี่เจห็นว่าระดับของพระโสดาบันมีระดับไม่เสมอกันจะนั้นขอพูดถึงระดับพระโสดาบันขั้นต้นที่เรียกว่าสัตตะคตุตอนนี้จิตของท่านยังเป็นพระโสดาบันใหม่ อารมณ์เรื่องเดินโลภิยะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือว่ากําลังหนักคือกลิ่นคลาข่าวจึงโลภิยะยังติดอยู่มากฉะนั้นบโสนดาบันขั้นนี้จึงยังมีอารมณ์รักในเพศอยู่มากยังมีอารมณ์หนักหน่งอยู่ในความโลภยังมียังมีอารมณ์หนักหน่งอ ย, ยงู่นนนนยในความโกรธ แล้วก็ยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความหลงคำว่าหนักหน่วงในที่นี้หมายความอารมณ์รักความสวยสดงดงามชชินรักรูปสวยเสียงระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสยังมีอยู่ในใจมากยังมีความต้องการในทรัพย์สินมากยังหนักอยู่แน่ยนของความโกรธ ยังมีความหลงคือในโพยังมีความพัวพันอยู่ในเหตุตั้งๆเมื่อการตามที่กล่าวมาแล้วรวมความว่าสมาธิจิตดีตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่กำลังละสกาแยะ ท, ทิยังเบาเกินไปตามที่เด็งกล่าวว่าพระโสดาบันเมียที่สีลขือศีลยย่ง แต่ว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยได้จะลืมว่ามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ยุ่งกับการมีสมิชาจาร์ไม่ละเมิดศีลจิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโลภ ไม่อย่าเจริญจะไม่คดไม่โกงไข่ที่ยางยังติดรวยอยู่มากติดแต่จิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโกรธเพื่ อ, อรม่มโกรธยังเต็มตัวแต่ไม่ทําอันต ร, รายใครเพื่อเกรงว่าศีลจะบกพร่องอารมณ์ยังติดอยู่ในความหลงคือดึงในทรัพย์สินดึงในร่างกายยังไม่คลายการดึง ยังคิดว่านั่นเป็นเราคิดว่านี่เป็นเราแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายตอนนี้เราจะแยกใจออกมาได้ยากเพราะจิตยังหยาบอยู่มากแต่ถ้าว่ามีขอบเขตจำกัดดีกว่าผู้ทุชนที่ทำตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลถึงจะรักก็ไม่ละเมิดศีลจะโลภ ก, ก็ไม่ละเมิดศีล เจ๊าะโกรึ้นมาละเมิดสินเจาะหลงในทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามที่ก็จริงแหละแต่ทว่าไม่ลืมคิดว่าเราจะตายไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตเขามาโสนดาบัญขั้นสตะกัดตรงเป็นอย่างนี้จึงต้องต้องอบรมใจหรือเอกเจ็ดชั้นเป็นมนุษย์ด้วยเจ็ดคราว ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมพักร้อนคนจากจิตนั่นแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จึงกว่าจะครบเจ็ดหนในคราวเป็นมนุษย์ยิ่งจะได้อรหัตผลสําหรับโสตดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีจิตเบา เบาพระว่าอำนาจสกายธิฐิที่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาร่างกายร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมะส่วนหนึ่งมันก็เกิดว่าร่างกายของคนเรานี่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก นิบัญญาเริ่มเพิ่มขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ไม่ไป็ชิ้นเป็นท่อนเป็นอันเต็มเรื่ความสขปรกแต่ว่าอาศัยกําลังฌานที่ไม่เข้าเข้าไม่ถึงฌานสี่อารมณ์ตอนนี้จึงยังไม่ปักนักก็ชักจะเริ่มมีความบางเกียดในร่างกายเพราะร่างกายที่มีสภาพไม่ทรงตัวแน่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย บางทีก็ตายแต่ความเป็นเด็กก็มีฉะนั้นถ้กว่าจิตใจของเราที่เข้าไปผูกพันร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีเรื่อทรัพย์สินทั้งหลายเราอื่นก็ดีจะมุ่งคิดว่าทุสร้ายบุคคลอื่นใดก็ดีมันก็ไร้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นคนมันก็มีแต่โทษเพราะกายเราก็ตายกายเขาก็ตาย เมื่อกายเราเป็นทุกข um hmm. ์กายเขาก็เป็นทุกข์เราต้องการให้เขาทุกข์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไปทําให้เขาทุกข์มันก็ไปซ้ําทุกข์เดิมของเขาเมื่อแท้จริงๆเขาก็ทุกข์อยู่แล้วก็เป็นอนุวัตจิตดวงนี้มาสลับกันไปเพื่อกำลังฌานยังไม่มั่นคงเข้าผมมีความเข้าใจ ว่าท่านพระโสดา บ, บันที่เข้าถึงเข้าถึงโกรังโกละอารมณ์จิตของท่านผูนี้จะต้องมีกำลังจิตสูงกว่าพระโสดาบันสูงกว่าปฐมฌานธรรมปีติจะเกิดขึ้นกับท่านมากเพราะความวุ่นวายน้อยลงเพื่อที่เจกวความวุ่นวายน้อยลงก็มีความเมตตากรุณาทัสองประการสูงขึ้น จิตมีความเอิบอิ่มได้ธรรมปีติตอนนี้อย่างเลวที่สุดจิตของท่านโกลังโกละก็ต้องตั้งอยู่ถึงขั้นทุติยชาญชาญที่สองหรือว่าชาญที่สามทีนั่นจึงจะสามารถมีกำลังกดความรักในเพศกดความโลภ ก, กดความโกรธกดความหลงให้เบาบางลง จิตตั้งตรงเมียรมว่าร่างกายนี้มันไม่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าว่าอารมเผลอก็ยังมีอ ย, ยู่นิดหนึ่งบางครั้งมันก็เข้าไปเกาะติดในสภาพรูปเสียงกึินรสรสัมผัสแต่ถว่าศีลมั่นคงยิ่งขึ้นจึงไม่ละเมิดศีลสำหรับโลภะความโลภความอยากรวย อยากยังอยากมีเงินใช้แต่ทว่าใจที่จะริมพรแต่เกียรกายเกินพอดีไม่มีเห็นว่าการประกรอบอาชีพเพียงเท่านี้เป็นที่เพียงพอของเราการเยโกรธชาบ้านชาเมืองคิดระหัดระหา น, นั้นไม่มีก็ยังมีโกรธอยู่แต่คิดว่านี่ไม่น่าจะทําให้เราไม่ชอบใจ แต่ถ้าว่าอาศัยที่เขาเป็นคนจันไรเป็นคนเหลวเราก็ไม่น่าจะโกรธตอบแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกได้เขาช่วงเขต้องใช้กําลังใจนิดหน่อยเนื่องใจมีเหตุมีผลมากขึ้นสําหรับร่างความหลงคิดว่าร่างกายจะทรงตัวมีความรู้สึกน้อยไปด้วยอํานาจปัญญาดีอย่างนี้ที่เรียกว่าโคลังโกละ สำหรับท่านเอกพิชีตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังใจของขั้นเอกพิชีนี่ตามความรู้สึกของผมคิดว่าท่านผูนี้ต้องมีกำลังใจทรงชาญสีเพราะอะไรพระวสนาบรมมีอารมณ์จิตละเอียดมาก ถึงกับว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมลเทวดาหมดบุญวัสนามารมีมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็เป็นอรหัตผลเหมือนกับสักเหมือนกับพระสกิทาคามีตอนนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบรนละเอียดฟังให้ดีนะสำหรับนักปฏิบัติ ถ้าจิตของท่านเข้าถึงอุปจาระสมาธิอันมีอารมณ์เป็นทิพย์ท่าจะได้ยินเสียงของพระเทวดารุปรมที่เป็นพร ะ, ะอริยเจา้าตรัสว่าท่านเวลานี้ท่านทรงอารมณ์เป็นประสูตดาบันในเอียดแล้วก็จงทราบว่าขณะนั้นท่านเป็นเอกวิชี อารมณ์ของเอกวิชีนี้ที่ผมคิดว่าท่านพุน้นนี้อารมณ์จิตของท่านเป็นผู้เข้าถึงฌานสีและก็ทรงฌานสีได้ดีตามสมควรก็เพราะว่าอารมณ์ของพโสดาบันขั้นเข้าถึงขั้นเอกวิชีนี้มีความรู้สึกพิเศษอย่อยางหนึ่งเอาเก็บไว้เป็นที่สังเกต ว่าความรู้สึกของพระโสดา บ, บันขั้นเอกวิชียังเห็นคนสวยกันแล้วก็ยังเห็นความดีของทรัพย์สินยังรู้สึกมีความไม่พอใจแต่ถ้าว่ากําลังใจของท่านไออารมณ์อย่างนี้มันน้อยความรู้สึกยันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิต เรื่งซ้อนขึ้นมากับอุปสมานุสติกรมฐานนั่นก็คือคำว่าธรรมดาจุดนี้จุดธรรมดาเกิดขึ้นมากเกิดอารมณ์กระทบขึ้นมาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของโลกจิตเย็นทันที เห็นคนสวยสุดก็งามเข้ามาถึงมองแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นธรรมดาเราเป็นชายเห็นหญิงสาวสวยเราก็รู้สึกว่าธรรมดาถ้าเป็นหญิงเห็นชายงามก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาตรงไหนมองไปมันก็สวยผิวสวยรูปร่าสูตทรงสวย เรื่องระดับกายสวยแต่ว่าธรรมดาของเธอข้างในมันเน่านี่จิตนมื่เข้าไปถึงจุดนี้แล้วฉะนั้นอารมณ์ที่เกาะติดในกามะชันทะาก็ดีในความโลภในทรัพย์สินก็ดีในความโกรธก็ดีในความหลงก็ดี มันก็ติดอยู่แค่ผิวๆแค่หนังกระพรานนิดหนึ่งจะว่าหนังกับพรานหนังกับพรานก็ไม่ติดมันติดอยู่แค่ปลายขนทิดจะทบติดการติดถูกก็หน่อยมันก็หล่นมองหน้าเขาบ่าคนนี้เป็นนางงามประจำภาคประจำชาติแต่มองปราดลงไปรู้สึกว่าเธอสวย ช่วขณะอารมณ์จิตเดียวสักหนึ่งวินาทีใจนี้มันก็จะคลายสลายความสวยจิตมันจะแทงทะลุเข้าไปถึงภายในของร่างกายหรือว่าผิวพรรณนั่นหลายเหล่านี้จะมีความเข้าใจว่ามันเต็ ม, มไปด้วยความสกปรกไม่ทรงอยู่ในความสะอาด สำหรับทรัพย์สินทั้งหลายมองแล้วก็รู้สึกว่ามีมีใช้มีกินแต่ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อชีวิตมันสิ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นี่การแย่เพื้งเลงถึงโทษเขาบุคคลผู้ทาให้เสิยความช้ำใจก็ไม่ได้มองเห็นประโยชน์อะไร <c oughs> ว่ามันจะเป็นคน เห็นว่าคนที่เราทำทำใจให้เสื่อเทือนใจนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดขบคนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นภารกิจคือความชั่วของเราที่อยากเกิดมาในโลกเป็นอันว่าความรู้สึกว่าธรรมดาเกิดขึ้นกับใจของพระโสดาบันคั้นนี้จำให้ดีนะครับ เรื่องอารมณ์นี้ต้องจำให้ดีนะจะได้รู้ตัวว่าเวลานี้เรามาถึงไหนไม่อย่างนั้นเราก็ดำน้ำกันเล่นไปแกลเลยว่าคล้ายๆกับผ้าดำมาปกตามันไม่เกิดประโยชน์เป็นในาวัยจุดนี้แหละเป็นจุดของพระโสดา บ, บัญขันเอกวิชีเช่นต่อต่นี้ไปก็พูดกันถึงด้านสกิทาคามี ตอนถึงพระสิกขาคามีในอารมณ์ส บ, บายเสร็จแล้วว่ยยาย่ำตอกมาจากเอกวิชีหมดระดับมีคุณค่าของเอกวิชีกับพระสโสดาบันเช่นอขั้นเอกวิชีกับพระสิกขาคามีมีค่าเท่ากันนั่นก็คือเกิดเป็นเทว ด, ดาหรือมนุษย์หนึ่งชาติขอโทษเกิดที่เป็นเทว ด, ดาหรือพรหมหนึ่งชาติ แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอาดัหารเลยง่ายนิดเดียวมีค่าเท่ากันเหมือนกันล้วจะมีอะไรจากกันตรงไหนแต่ถ้าว่าสำหรับพระสกิทาคามีนิมีปัญญาละเอียดชกินกว่าพระโสดาบันหน่อยหนึ่งสำหรับเรื่องศีลไม่ต้องฟู่กันมั่นคงมาตั้งแต่สตะขัดตรง ตอนนี้ท่านเอกวิชีพูะว่าอัสราสิกิธาคามีนีเพรอะสอ า, ารมณ์ละเอียดมาจากเอกวิชีจึงใช้ปัญญาี่มีความหลักแหลมพอ่อใสจิตเข้าถึงฌานสี่คำว่าฌานสี่มาจากไหนก็มาจากการพิจรารณาคันห้าพิจรารณาศีลพิจารณาโทษของความรัก พิจารณาโทษของความโลภพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาโทษของความหลงเมื่อจิตมีอารมณ์เยือเเยกเยี่ยเย็นลงจิตก็กล่าวก็ไปสู่ทั้งฌานสมาบัติทีละน้อยละน้อยโดยที่ไม่ต้องเป็นนั่งฝึกให้เมมเนียการเคร่งเครียดอารมณ์จะมาอารมณ์สมาธิมาพร้อมกับวิปัสสนาญาณ คือใช้อารมณ์พิจารณาสังโยชน์สามรการและโดยเฉพาะพิจารณาโทษของความรักในระหว่างเพศกันมีคู่ครอง mm. เห็นมรรูปสิงกริชนธพธพะหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่มีการสรงตัวและบริการีสองทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะแบกจากโลกนี้เป็นโลกอื่นได้ ตายทำซื่อเกือบตายเน็ดเหนื่อยกับตายตายและวก็หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ยี่ครองแม้แต่ร่างกายเรื่องของความโกรธนี่ใช้เป็นปัจจัยยั่วให้เกิดความทุกข์ไม่จะมีความสุขไม่มีความปรารถนาแล้วก็บริว่าถ้าจิตเราจยาะหลงร่างกายกาย า, ยานี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ มันก็จะถูกมันจะถูกทำลายเยอทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวไปอารมณ์รักในกายมันก็เบารักกายรายเรามันเบารักกายคนอเิงก็เบาเห็นโทษแห่งการมีครองการครองคู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาตอนนี้ระวังให้ดีนะ ถ้ามีสา ม, มีพัญญายแล้วก็บางทีเขาจะคิดว่า น, นอกใจเขาแต่ว่าใจเรามันไม่สู่อารมณ์มันไม่รู้สึกความรู้สึกมันน้อยนานๆจะมีความรู้สึกสักครั้งแล้ว่าหายเร็วนี่เป็นเรื่องของพระสีทาคามีเมื่อสะพิกเสกสกินทาคามีมีอารมณ์ละเอียดจิตเข้าถึงฌานสี่โทษ ที่เขาจะเห็นโทษของรูปเสียงที่รสโภตพระคือรูปสวยไม่จริงปัญญามากเสียงเพราะก็ไม่จริงรสอร่อยก็ไม่จริงกลิ่นหอมก็ไม่จริงสัมผัสที่เกิดประโยชน์ก็ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สร้างความอิ่มมันสร้างความหิว มาในด้เ่องความโกรธก็ไม่มีความหมายจยึดถือร่างกายก็ไร้ประโยชน์แต่ว่าจิตระวังมีจิตตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสที่เป็นอุปนิสัยท่านที่มีกำลังใจเข้าถึงพระสีทาคามีนี่เห็นโทษของกลามาคุณมากเห็นโทษของความโลภมากเห็นโทษของความโกรธมาก เห็นโทษของขันห้า ม, มากจึงกระทั่งมีรมณ์ละเอียดดับสนิทความคิดจะรักในระหว่างเพศไม่มีเฉยเฉยและความโลภโมโทสันอยากจะเริ่มรวยมันไม่มีเฉยเฉยสบายสบาย เรื่ความโกรธคิดว่าสุสายเขาไม่มีมันจะเป็นยังไงก็ช่างดาก็ช่างว่าก็ช่างเฉยเฉยสบายถ้า จ, จิตจติกายติดใจของเรามันก็ไม่มีมันไม่มีเป็นส่วนมากแต่บางขณะมันมีหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมานี่มันเป็นอนุสัยมันมีความละเอียดคล้ายกับแต่ก่อนน้ําที่มีแต่ก่อน เราสันส้งเข้าไปแกว่งมาเป็นนอนอยู่ในตุ่มแต่ก่อนมันขุนก็จริงแหละแต่ถ้าว่ามันไม่มาขวนน้ำน้ำใสสะอาดใจโปร่งแต่ก่อนเรา่นเหมือนกิเลสใจเหมือนกับน้ำที่ถูกฟันส้งแกงแล้วแต่ถ้าว่าในบางขณะที่มีจิตมีอารมณ์ละเอียด มีจิตสบายมีรมณ์สุขไม่ว่าวนกับอะไรบางครั้งความรู้สึกความพอใจในเพศความพอใจในทรัพย์สินคิดว่าใครเขาว่าเราประทุษร้ายเราเจ็บให้เจ็บใจไม่เกิดแค่ม า, านิดหนึ่งมันกรตุ้นจิตแค่ม า, านิดหนึ่งแล้วก็สลายตัวไปโดยฉับพลัน อย่างนี้เป็นอาการของพระสิท ธ, ธาคามีอารัมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันเวลาที่จะพูดกันมันก็หมดเสร็จแล้วหวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงมีความเข้าใจพระเ็นของไม่ยากต่อได้นี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระภูมีพระภาคจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสายจนกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการสมควรสำหรับท่าน